หากันตั้งใจํำรวมใจของตนให้เนียวแน่เรามาสามัคคีกันอยู่ในศาลากา ร, กปรเปรียนนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจของกันและกันในอันฝึกฝนจิตของตนให้เข้าถึงความส ง, งบ บางคนนั่งสมาธิภาวนาโดยลำพังคนเดียวทำจิตให้สงบไม่ได้ก็มีดังนั้นเราจึงได้รวมหมู่กันเป็นเวลาที่กำหนดกันไว้นอกจากนั้นแต่ละต่างคนต่างก็สํารวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่ ช่วยตัวเองจะไปให้แต่ผู้อื่นช่วยอย่างเดียวไม่ไหวคนอื่นนั้นจะตามแนะนำตะกเกือนเราตลอดเวลาไม่ได้ดังนั้นทุกคนต้องให้คิดช่วยตัวเองการช่วยตัวเองก็คือมีสติสมปัญญา ะระลึกมันะระลึกเข้ามาที่กายที่ใจเสมอมากรวดดูจิตใจของตัวเองว่ามันตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลหรือมันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระัตนาการหรือไม่อันนี้หนะ้าที่เราทุกคนจะต้องกรวดดูจิตใจตัวเอง ถ้าไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้เพราะมันบนเปอยู่กับเรื่องภายนอกจิตเนี่ยมันไปคิดเอาเรื่องภายนอกเข้ามามากต่อมากแต่ละวันแต่ละคืนคนนั้นให้ใหคำนวณดู ก็ความคิดนี่มันไปคิดเรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากกว่าหรือว่ามันคิดถึงสิ่งที่เป็นสารประโยชน์นแก่ตนมากกว่าเรื่องภายนอกอันนี้เป็นนาทีของเราจะต้องพิจารณาโดยตนเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เราต้องรู้ตัวเราเองว่า ใจเรามันมั่นอยู่ในบุญในคุณหรือไม่หน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรู้ถ้าไม่มั่นพอก็ต้องพยายามนี่แหละการที่ท่านแนะนําให้ทําใจให้สงบลงไปเนะี่ก็เพื่อให้ใจใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดอ ส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยตั้งนี่มันคิดเล่นไปตั้งแต่เรื่องภายนอกนู่นดังนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจว่าการน้อมสติเข้ามาควบคุมจิตอยู่ภายในนี่นะมันก็เป็นเหมือนกับว่ารวบรวมเอาบุญกุศลความดีที่เราทำมาแต่ก่อนจะถึงปัจจุบันนี่นะ เอามารวมไว้แห่งเดียวกันพอใจเราชื่นชมยินดีในบุญในคุณเท่านั้นมันก็ดึงดูดกันเข้ามาไม่ใช่ว่าเราจะไปตามหาเอาที่รนนที่นี่เข้ามาไว้ไม่ใช่นะบุญควรสนคุณพรตัตนาไกลไม่ได้อยู่ต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ภูเขาไม่ได้อยู่แม่น้ำลําคลอง ไม่ได้อยู่บ้านช่องที่ใดมันอยู่ที่ใจของบุคคลผู้นับถือผู้เรื่มใสเท่านั้นเมื่อใจนึกขึ้นมาน้อมเชื่อน้อมความยินดีเรื่มใสในพระคุณเหล่านี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งกมจัดทุกข์ภัยได้จริงๆอย่างนี้เมื่อเราน้อมนึกขึ้นมาอย่างนี้นะ นั่นแหละบุญคุณทั้งหลายมันก็มารวมกันอยู่ที่จิตใจนี่แหละหมดนะให้เข้าใจการทำสมาธินี่ไม่ใช่อย่างอื่นใดนะเราทำเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจเพราะว่าใจนี่เป็นบ่อแห่งบุญและบ่อแห่งบาปถ้าหากว่าไม่คึกขน ไม่มานึกถึงบุญถึงคุณใจมันก็จะโน้มนึกไปในทางไม่ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลเอนึกไปเรื่องดีบ้างชั่วบ้างในโลกสงสารนึกไปหาเรื่องคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ชั่วอย่างนี้นี่ยถ้าหากว่าจิตที่ปราศจากการควบคุม ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วมันจะแล่นไปหาแต่เรื่องเก่านั้นแหละผู้ใดเคยยึดถือเรื่องความโกรธกับใครไว้แต่ก่อนมามันก็หวเผลอเผ อ, เอมันก็หวนึกไปหาเรื่องคนคนนั้นเนแหละไปวิจารณ์ว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ผู้ใดจิตใจผูกพันอยู่กับสิ่งใด เมื่อนั่งภาวนาเข้าไปมันชักจะเผอเผอแล้วมันชักจะบวิ่งไปตามอารมณ์นั่นแหละให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่กเผอเมื่อนั่งภาวนาให้ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้แหละไว้อย่าให้มันคิด อย่าให้มันวิจาร์ไปต่งตางๆนานากรเราทำใจให้สง บ, บลงเป็นหนึ่งลงไปเสียก่อนแล้วอยากพิจารณาอะไรก็จึงค่อยพิจารณามันจึงเห็นแจ้งได้ถ้าไม่ทำใจนี้ให้สงบระ ง, งับก่อนใจวอกแวกอยู่พิจารณาอะไรก็ไม่เห็นแจมแจ้งต้องให้เข้าใจอย่างนี้ หลักนี้เนี่ยว่าเป็นหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจริงๆและที่อื่นเขาสอนกันได้แค่สมาธิทำจิตให้สงบให้ได้บรรลุฌานโลกีแต่ทางวิปัสสนาผู้สอนก็ไม่รู้รู้แต่ทางให้เกิดความสงบใจ อย่างเดียวเท่านั้นส่วนในพุทธศาสนานี้สอนให้คนทำใจสงบแล้วสอนอุบายให้เจริญปัญญาวิปัสสนากำหนดพิจารณาธาตุสี่ขันห้าเป็นอารมณ์ขอใจนี่มันลหลงไหลยึดถืออยู่ในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรากำหนดพิจารณาขันห้านี้อนื่นเมื่อทำใจสงบแล้วสอนใจให้มันรู้แจ้งในขันห้านี้ว่าไม่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็เมื่อเราเพ่งดูตามความนจริงแล้วมันก็มีอะไรมีาธาตุสี่ดินน้ำไฟลม แล้วกจิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองอืะดินน้ำไฟลมอันนี้อาศัยบุญกรรมที่เตทธรรมเตชะก่อนมันตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ขึ้นให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยเท่านี้แหละเมื่อมาอาศัยรูปร่างอันนี้แล้วก็เลยมาสําคัญเอาเป็นของเราเข้าไปใครจัด ยกโทษตีเตี้ยนนอหนึ่งก็ไม่ได้โกรธไม่พอใจแสดงว่ามันหวงขันห้านี้มันถึงได้โกรธทามันรู้แจ้งว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเช่นนี้ก็วางอุเบกขาลงได้ใครจสะสรรเสริญใครจะนินทาว่าอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ว่าแต่ตัวของตัวเองว่าพิจารณาตัวเองว่าตนเองตั้งอยู่ในสุจริตธรรมแล้วหรื อ, อยังถ้ายังก็แสดงว่าที่เขาตำหนิตีเตียนมาก็ถูกต้องแต่ว่าหมายความว่าเรานั้นมีจิตใจไม่มั่นอยู่ในบุญในคุณเลาเมื่อสงใจออกไปข้างนอกม า, มากมันก็ มักจะทำอะไรพูดอะไรผิดพลาดไปเดี๋ยวไปยกโทษคนอื่นอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเจ้าของผู้ที่ถูกยกโทษนั้นได้รู้เข้าเอา้าก็ตามมาต่อว่าเอา้าอย่างนน้นอย่างนี้เกิดทะเลาะวิวาดกันการปล่อยใจให้เลื่อนลอยออกไปข้างนอกแั้นไม่ดีมีโทษ เว้นเสียแต่คิดอ่านการงานที่จําเป็นเท่านั้นเมื่อคิดอ่านกางานที่จําเป็นรู้เรื่องแล้วดีก็โปรงก็วางไว้แล้วก็มาสํารวมจิตให้แน่วแน่อยู่ตามเดิมอันนี้แหละการวิธีฝึกฝนอบรมจิต่ให้เข้าใจไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะทํา คิดอ่านการงานภายนอกเสียเป็นส่วนมากเลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดอ่านในทางทำไม่ควรไปคิดอย่างนั้นล้วก็ต้องแบ่งเวลาเอาเวลาคิดอ่านการงานภายนอกก็คิดไป พว่าพอการคิดอ่านการงานต่างๆไม่ใช่ว่าจะไปคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนหาไม่ได้คิดพอจะรู้การงานหน้าที่อันนั้นแล้วโดยแจมแจ้งแล้วก็ลงก็วางไว้ตามเดิมมันแล้วก็ทำตามทาไปตามที่คิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อแล้วผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็มีสติสำรวมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปพร้อมกับคิดอ่านการงานที่เราจะต้องทำเรียกว่าบุญคุณเนี่ยเป็นกำลังของใจทำใจให้ตั้งมัน่นหมายความว่าอย่างนั้นเราไม่เป็นทุกเดือดร้อนในกับบุญกับคุณนี่หรอก ว่าแต่เราสร้างให้เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วเราได้อาศัยบุญคุณนี้เป็นกำลังใจให้พินิษฐพิจารณาสังขาร น, นามรูปดังกล่าวมาเนี่ยให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงถ้าไม่ได้บุญได้คุณนี่เป็นกำลังใจจะไม่ตั้งมั่นเลยพิจารณาธาตุสี่ขันหนาก็ไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทถ้าประมาทไม่พิจะะารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ลองมันก็หลงถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พ้นทุกข์ยในสงสารไปไม่ได้เลยแมต่อจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ เพราะมัวมาแต่ถือขันห้าเนี่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นตายแล้วมันก็เกิดเป็นคนอีกถ้าหากว่าไม่ได้ทำบาปมากนะทำบุญมากกว่าบาปตายแล้วมันก็เกิดเป็นคนเน่ะเพราะยินดีจิตใจมันยินดีในคนเป็นส่วนมาก มันออกจากคนไม่ได้ผู้จะไปสวรรค์ได้มันต้องมองเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยโทษต่างๆนา น, นาเป็นของแตกของดับพิจารณาเห็นอยู่นี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายแต่ความเบื่อหน่ายอันนี้มันไม่แรงกล้าพอ ที่จะให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาดมันมีแต่ทาใจให้สงบลงเมื่อวันเบื่อหน่ายแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักนี้ให้มากๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อเช่นั้นแล้วก็จะทำสมาธิไม่เป็นแล้วคันพอภาวนาไปเช็นูชอบคำบริรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้เอาไปเอามาพุทโธมันวิ่ออกไปนอกนู่นนอกไกลนะอ่ามันไปติดไปคล้องอยู่กับสิ่งที่มันเคยคล้องมาแต่ก่อนนั้นพุทโธมันก็นเล่นไปพูเนะียไปนึกอยู่นู่น ทีนี้มันก็ลืมตัวแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้ภาวนานั้นใช้ไม่ได้เลยที่ภาวนาที่มันใช้ได้ที่มันจะเป็นทางหลุดพ้นก็มีสติสัมปชัญญะเข้าไปประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็พิจารณาธาตุสี่ขานา ด, ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหะ ให้มันเห็นตามความเป็นจริงความจริงมันมีอย่างไรเราก็รู้เห็นไปตามอย่างนั้นอย่าไปเห็นนอกไปจากความจริงความจริงแล้วพระศ า, าสดาทรงสอนให้รู้จักทุกให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกรู้จักความดับทุกเนี่ยรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก นี่จุดมุ่งหมายที่พระเจ้าแนะนาสั่งสอนพุทธบริษัทนะเพื่อให้มารู้ความจริงสี่อย่างนี้อันความจริงสี่อย่างนี้มันก็มีอยู่ที่กายวาจาใจนี่หมดแหละกายวาจาใจนี่นะ่ะสร้างขึ้นมรคนมีองค์แปดประการนั่นนะให้เข้าใจเมื่อจเจริญมร คือศีลสมาธิปัญญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในใจิตใจใจเฉลียวฉลาดมีปัญญาขึ้นมาวะนี้ก็จึงมาพิจารณาความจริงของชีวิตอย่างที่วา่านั่นแะในความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้เห็นจริงๆรู้เห็นว่าเป็นทุกข์จริง ๆ, ๆ ก็ต้องได้เลี้ยงมันตนน้องได้ผลปืมมันเรื่องอย่างนี้ก็เคยพูดมาแล้วหลายครั้งทีเดียวเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดไอท้ที่ทางที่จะให้คนเราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหามันก็คือมาเห็นทุกข์ในร่างกายนี่เองเนะถ้าไม่เห็นทุกข์ขันภัยในร่างกายนี่มันก็ยึดถือไว้ มันก็พ้นจากโลกนี้ไปไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามาพิจารณาเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำเละความขับแค้นใจต่างๆวันนี้มันเป็นทุกข์ใจความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์กายเรามาเห็นทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนี้ ทุกใจนั่นเพราะใจปล่อยให้กิเลสมาครอบงาทำให้เกิดกิเลสา น, นาประการขึ้นในใจเหตุ น, นั้นมันถึงปั่นใจให้เสียใจบ้างดีใจบ้างเศร้าโศกบ้างดังกล่าวมานั่นนะวันนี้เราไม่ต้องการความทุกข์ทางใจอย่างนั้นเราก็กำหนดใจละสิ ละกิเลสต่างๆในหัวใจที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเนความรักความชังความหลงความเมาต่างๆหมดนี้นะกาหนดละมันแหละืม่ใ่มันเกิดขึ้นในใจไม่ให้มันสร้างอารมณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นใน ใ, นใจเมื่อใจเรามันตั้งมั่นอยู่แล้วนี้เรากำหนดละมันก็ละได้ง่ายนี่เป็นไง ละตันหาความอยากต่างๆเมื่อความอยากภายในจิตใจมันระงับลงไปความทุกข์อันเกิดจากความโศกเศร้าเสีใจพิไร ล, ลำพันธ์ต่างๆหมดแล้วมันก็ดับไปหมดเลยเพรกิเลสเล่านั้นมันก็เกิดจากตันหาความอยากเหมือนกันเนี่ยอันนี้อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงร่างกายเมื่อไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่นะหนึ่งมันนะจะว่ามันมาถือมั่นอยู่ในร่างกายนี่มันเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าจิตเป็นธรรมลงไปแล้วไอ้ร่างกายนี่ยแม้จะบำรุงปรนปืนมันให้มากเท่าไรมันก็ไม่ยัางยืนอยู่ได้ มันวิบัตแต่ปวนในที่สุดสุดมันก็แตกตับลงมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเกิดมาชาติใดกด็ดีนี่แหละพระพุทธเจ้าย o มาทรงสอนให้เห็นทุกข์ให้เห็นเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหามันจะพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันเนี้ยชาติแล้วชาติเล่าไม่มีสิ้นสุด เกิดมาชาติใดว่าบุญกุศลตกแต่งให้ร่ำรวยมั่งมีก็ร่ำรวยมั่งมีทต่เงินทองเครืองของนั่นแหละแต่ตัวเองนั่นจ ะ, จะใช้สอยหรือว่าจะบริโภคสมบัติเหล่านั้นไปได้นานเท่าไหร่แน่นอนนะ่ะทุกคนก็รู้ดีนี่ไม่ได้บริโภคสมบัตินั้นไปนานเท่าไรนะกเดี๋ยวก็พัดพากจากกันแล้วอืม ดังนั้นหละความที่เรามีอุบายสอนใจให้มันรู้แจ้งสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วมันก็หยุดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อความอยากดับไปความทุกข์ทางใจมันก็ดับลงก็รู้ว่านี่นะรู้ว่าโอ้การดับทุกข์ทางใจดับตรงนี้ ดับตรงตัณหาคือความอยากนี่มันก็รู้ขึ้นด้วยตนเองนะี่ว่ารู้รู้ที่ดับทุกข์แล้วข้อปฏิบัติคือทานสินภาวนาหรือว่าสินสมาธิปัญญาทุกคนจะละเลยไม่ได้มันต้องพยายามศึกษาค้นคว้าอยู่ในใจเสมอเสมอไอ มักอันมีองค์แปดประการนั้นจึงมังเกิดขึ้นในใจได้ถ้าใจไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องเสียส่งไปทางอื่นทางที่ไม่เป็นทางพ้นทุกข์นั่นส่งใจไปอย่างนั้นแล้วมันก็ลืมนะลืมเลือนทางมักทางผลไม่อยากจะได้แล้วถูกกิเลสมันย้อมใจเอา เม้ข้อเชื่อพานิชพาน่ำไปไรเอาไปเอามานึกว่าทำความดีมันเหนื่อยพอเปล่ามาังที่ท่านว่าพันิพานมีจริงนั่นคงจะเป็นแต่เพียงอุบายหลอกคนให้ทำความดีให้อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขในชาตินี้เท่านั้นมัง้งพันิพพานคงไม่มีจริงอะไรทำนองนี้ ผู้ใดไปบิบดพิวคำสอนของผู้เผยเจ้าให้แปร่สภาพไปจากความเป็นจริงผู้นั้นก็ได้ประสบบาบอันหนักที่เดียวเพราะฉะนั้นแหละอย่าไปบิดพิวอย่าไปแต่งคำสอนของผู้เเจ้าให้ให้หนีไปจากความเป็นจริงความจริงมีอย่างไร เราก็กาหนดรู้อย่างนั้นมันยากกับความที่ไม่ยอมรับรู้ความจริงนี่แหละพูดกันอย่างรวบรัดตัดตอนใจของคนเรานี่นะถ้าไม่ยอมรับรู้ความจริงของชีวิตนี่แล้วมันก็เบื่อหน่ายความเป็นอยู่ในโลกอันนี้เพราะว่ามันเป็นทุกข์ ก็เคยพูดมาน่ายคทางหลายหนนะทุกข์เพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้นะคนก็เป็นทุกข์กับการแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นนี่แหละเป็นทุกข์เพราะหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายมาบำรุงร่างกายนี้นี่นะถ้ า, าว่า ร่างกายนี้ไม่มีไม่ไม่ต้องมีการเลี้ยงดูผู้เสื่อกันอย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์อะไรนะไ ม, ม่กังวลอะไรทั้งหมดอืมพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อทําใจสงบอยู่ภายในแล้วพิจารณามันก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นตัณหานั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆผู้ดใดเห็นอย่างนั้นมันก็ลกความอยาก ให้เบาบางไปเรื่อยๆหละความอยากได้อะไรต่ออะไรเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ทําบาปทํากรรมล่วงศิลล่วงทำอันตันหาประเภทนี้เนี่ยที่ว่านี่มันที่เป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ในอบัยภูมิเมื่อเมื่อไปท่องเจ็บกับตันหาอย่างว่านี้มากเข้าไปมันก็ทําบาปฆ่าสัตว์ลักทัพก์ประพฤตผิดในกรรมกล่าวมุสาวาท ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอินนี่เมื่อสะสมกิเล่เหล่านี้ให้หนาแน่นขึ้นในใจมากๆแล้วนะมันก็ทำบาปห้าอย่างนี้ได้ขอให้เข้าใจเมื่อทำบาปได้แล้วอย่างนี้ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นบาปเก็บเอาบาปไว้ในใจอย่างนั้นแล้วจนตลอดชีวิตพ้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วบาปมันก็ไม่หนีจากกายจากใจได้ เวลาชวนจะตายบาปก็มาฉุดคร่าเอาดวงคิดไปสู่นรกอบายภูมินี่ไอ้สาเหตุที่คนเราจะทุกข์แล้วทุกข์เล่านานถึงปรนิพพานมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะมัวมอผมาดอยู่ไม่หักห้ามจิตใจเมื่อเวลาใจน้อมไปทางบาปอากุศลก็ไม่หกมารู้สึกเตือนตนไม่ไม่ห้ามตน ปล่อยให้มันอยากไปในทางบาปอกุศลเมื่อมันอยากมากเข้าไปแล้วมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปอย่างที่ว่านั่นน่ะมันก็ได้บาปมามคนสนมากไปอย่างนั้นเนี่ยอันซึ่งมันจะคิดละบาปนั้นไม่มีเลยคนไม่เข้าวัดไม่เข้าวาไม่สนใจในฟังธรรมต่างๆอย่านี้รว้แต่คนไม่ ไม่คิดที่จะละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานั่นนะไม่คิดเสียดายมันอย่างนั้นเนี่ยอันสำหรับผู้ที่รู้ตัวตื่นตัวแล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งใจเพ่งพิจารณาความจริงของชีวิตอันนี้มันก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจหนึง่งนี่นะ อันที่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะตันหาเป็นมูลเหตุตันหาอุปาทานนะเมื่อความอยากมีแล้วละความอยากนั้นไม่ได้มันก็ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ไปทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างนั่นกรรมดีกรรมชั่วก็อานวยผลให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างนี้แหละคนเราที่มันจะคนทุกข์ไปไม่ได้นั่นนะแล้วคี่ ไม่พอใจที่จะรักษาศีลไม่พอใจจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาไม่พอใจที่จะเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นเพราะฉะนั้นจึงพ้นทุกไปไม่ได้เมื่อผู้มารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระเถรเจ้าดังแสดงมานี้ขทอสำคัญคยให้เห็นทุกนั่นแหละ เมื่อเห็นทุกข์แล้วมันก็เบืออ่อห น, น่ายมันอยากพ้นจากทุกข์อันนี้เพราะโลกอื่นมีอยู่ที่ให้มีความสุขกว่านี้ก็มีแต่แ ต, แต่ที่ให้พ้นทุกข์ไปได้ยงจริงก็คือพระนิพพานนี่มันมีอยู่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปถอยหลังชาวพุทธทั้งหลายคอยภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาไปแล้วมันจะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลาดับดังแสดงมา